เลออริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระปัญญาที่ฉลาดที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเรามองไม่เห็นกันได้ พอทรงเห็นบุญและบาปว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เราสุขหรือทุกข์ที่จะทาให้ใจของเราเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกและท่านก็เห็นเหตุที่ทาให้ใจของเรายัางต้องไปเกิดแก่จน ต, ตายและสรงเห็นเหตุวิธี ที่จะทำให้ความ อ, าอยากที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนั้นหมดไปจากใจเพราะม ง, งเห็นใจที่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเราเห็นแต่ร่างกายแต่ไม่เห็นใจเราก็เลยไม่รู้ว่าใจนี้เป็นอะไร ส่วนใหญ่ก็คิดว่าใจนี้เป็นร่างกายอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายตายไปใจก็ตายไปกับร่างกายดังนั้นการกระทาต่างๆก็จะยุติที่ความตายผลของการกระทาก็จะยุติที่ความตายตายแล้วก็ไม่มีผู้ไปรับ ผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้นี่เป็นเพราะเรามองไม่เห็นใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ไปต่อจากหลังจากที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วใจที่จะไปเป็นสวรรค์ใจที่จะไปเป็นนรกใจที่จะไปเป็นเปรตใจที่จะไปเกิดในอบาย หรือเกิดในสวรรค์อันนี้เป็นใจที่ไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มีความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันจึงไม่ได้หมดไปกับการตายของร่างกายความรู้สึกนึกคิดที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เกิดจากความคิดและการ กาะทำที่ดีหรือไม่ดีที่เป็นบุญหรือเป็นบาปที่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความทุกข์ทุกวันนี้ใจของเราจะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เพราะการกระทำของเรา มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางที่เราทำบุญทำความดีใจของเราก็มีความสุขเวลาที่ใจของเราทำบาปใจของเราก็มีความทุกเวลาที่ใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงใจก็ทุกเวลาที่ใจไม่มีความโลภไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลงใจก็สบายอย่างตอนนี้ญาติโยมใจสบายกันเพราะได้มาทำบุญกันตอนนี้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงกันนั่งอยู่เฉยๆได้นั่งอย่างมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์เพราะไม่ได้ทำบานี่คือความรู้สึกของพวกเรา ในขณะนี้แต่จะเปลี่ยนไปทันทีถ้าเกิดความโลภหรือเกิดความโกรธขึ้นมาใจจะร้อนขึ้นมาทันทีจะอยู่ไม่เป็นสุขเห็อนอยากจะไปทำอะไรถ้าต้องนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะรู้สึกเกิดอัดใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะไปทำอะไร นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะนั่งได้อย่างสบายนี่คืออารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในตัวของพวกเราอยู่ในใจของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายตอนนี้เป็นปกติร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่หิวไม่อะไรแต่ใจนี่ก็อาจจะเกิด ควาวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาหรือเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาถ้าคิดถึงลูกคิดถึงใครที่อยู่ที่บ้านแล้วก็คิดไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพอคิดขึ้นมาก็จะทำให้ใจร้อนขึ้นมาได้วุ่นวายได้ทั้งๆที่ร่างกายนี้เป็นปกติ ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรแต่ใจของเรานี่มันทุกได้ทุกเวลาแล้วก็สุขได้ทุกเวลาขึ้นอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดไปในทางที่ดีใจของเราก็จะเย็นจะสบายถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาคิดไปในทางที่ดีคิดอย่างไร เช่นคิดทำบุญคิดทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราและแก่ผู้อื่นด้วยการไม่ทำบาปแล้วก็คิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยินดีกับสิ่งที่มีอยู่พอใจกับสิ่งที่ได้รับชีวิตของเราไม่ต้องมีอะไรมาก มีพออยู่พอกินก็สามารถมีความสุขได้แล้วและอาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีความโลภอยากได้เข้าของเงินทอง ม, มากมากเพราะเวลาเกิดความโลภขึ้นมาใจจะร้อนขึ้นมาใจจะไม่เย็นแต่ถ้าเรามีความพอใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่ ฐานะที่เราเป็นอยู่เราก็เย็นสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน <Yeah. S 1> ต่อให้เรามีอะไรมากมายกายกองแต่ถ้าเรายังไม่มีความพอใจเรายังโลภยังอยากอยู่เราจะไม่มีความสุข <Yeah. S 1> ความสุขจะไม่ได้อยู่ที่เข้าของเงินทองต่างๆความสุขอยู่ที่ความพอ ความทุกข์อยู่ที่ความไม่พอดังนั้นเราต้องมาพยายามสอนใจเราให้พอคือถ้าเรามีพอกินพอใช้แล้วก็ควรจะพอได้แล้วอย่าไปคิดว่ามีมากกว่านี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิด ม, มันจะทำให้เรามีความทุกข์ ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นพอเราอยากได้เข้าของเงินทองมากขึ้นเราก็ต้องวุ่นวายไปกับการหาแล้วเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยากได้เข้าของเงินทองมากขึ้นก็ต้องไปทำอะไรต่างๆไปทำงานทำการถ้ามีงานแล้วก็ต้องทำงานเพิ่มถ้ามีกิจการกิจการก็ต้องขยายกิจการ เพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เอารายได้นี้มาซื้ออะไรต่างๆแต่ให้เราได้มามากเท่าไหร่ซื้อมากเท่าไหร่ใจของเราก็ยังจะไม่พอเพราะการได้อะไรมานี้ไม่ได้ทำให้เกิดความพอแต่จะทำให้เกิดความโลภอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆ เมื่อก่อนนี้เราไม่มีอะไรมากมายตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราอยู่กับพ่อแม่พอมีพอกินเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขมีเงินไปโรงเรียนวันละไม่กี่บาทก็พอใช้เพราะว่าเราไม่มีความโลภและเราไม่มีความสามารถที่จะไปหาได้เราก็เลยอยู่กับฐานะของเราได้ แต่พอเราโตขึ้นเรียนหนังสือจบขึ้นมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะไปหาอะไรต่างๆได้ความโลภมันก็ออกมาทันทีออกมาหลอกเราว่าเราต้องไปมีสิ่ง น, นั้นต้องมีสิ่ง น, นี้แล้วเราจะมีความสุขกันแล้วพอเราได้มาแล้วมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแน่เช่นเรา เห็นคนอื่นเขามีแฟนก็อยากจะมีแฟนกับเขาเพราะคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขเวลาอยากจะได้แฟนใจก็ไม่สบายแล้วกังวลว่าจะได้เมื่อไหร่จะได้คนไหนแล้วพอได้มาก็ต้องมาหวงมาห่วงนะถ้าเรารักเขาเราชอบเขาเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อย ไม่อยากให้เขาจากเราไปไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปอยากให้เขาดีกับเราไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรในเลื่นี้ที่จะเป็นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาแต่เราเวลาคบกันใหม่ๆเขาก็ดีกับเราแต่พอเขาได้อยู่กับเราแล้ว ความดีของเขาก็ค่อยๆหายไป mm hmm. เคยเอา อ, อกเอาใจเรา mm hmm. เขาก็กลับจะเอา อ, อกเอาใจเขา mm hmm. พอเราไม่ทำตามใจเขา mm hmm. เขาก็โกรธเราเกลียดเราเราก็เหมือนกัน mm hmm. พอเขาไม่ทำตามใจเรา mm hmm. เราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ mm hmm. นี่คือความอยากความโลภ ที่จะพาให้เราไปพบกับความทุกข์ต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยถ้าเรามีอะไรเราก็จะต้องทุกข์กับมันมีมือถือก็ต้องทุกข์กับมือถือเวลามือถือมันหายไปถ่ายรูปไว้เป็นหมืน่นเป็นพันรูปหายไปหมด เ, เวลามีก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยกังวล เมื่อก่อนไม่มีมือถือเขาก็อยู่กันได้สมัยนี้ไม่มีมือถือนี่เป็นเหมือนกับขาดลมหายใจแทนที่จะมีความสุขกับมันกับต้องมาทุกข์กับมันไม่ว่าจะมีอะไรจะต้องทุกข์กับมันเสมอเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่จะมีวันจากเราไปได้เวลามันจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจยกัน เวลาอยู่กับเราเราก็วิตกกังวลห่วงใยนี่คือความทุกข์ที่พวกเราไปหากันมาโดยไปคิดว่ามันเป็นความสุขมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะฉลาดที่รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่มันเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจ ของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจของความเศร้าโศกเสียใจพระองค์จึงทรงทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากแล้วใจของพระพุทธเจ้าก็สงบเย็นสบายไม่มีอะไรจะต้องวิตกกังวล ไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียไม่มีอะไรจะต้องมาร้องโ่ยร้องไห้ด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันว่าการไม่มีอะไรนี้เป็นความสุขที่แท้จริง<ม>การเป็นขอทานนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงการเป็นเศรษฐีนี่แหละเป็นความทุกข์ที่แท้จริง ก็เป็นเศรษฐีก็จะต้องทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองเป็นขอทานก็ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองให้ทุกด้วยใครจะดีกว่ากันใครจะสุขกว่ากันเป็นเศรษฐีก็ต้องทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองเป็นขอทานก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกด้วยแต่เป็นขอทานต้องเป็นขอทานแบบพระพุทธเจ้าเป็นขอทานแบบฉลาด แต่ถ้าเป็นขอทานแบบงโง่ก็ยังทุกข์อยู่ขอทานที่ไม่ที่งโง่ก็คือขอทานที่ยังมีความโลภความอยากอยู่ขอทานที่ยังอยากจะเลิศ อ, อยากจะรวยอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ยังต้องทุกข์อยู่แต่ขอทานแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหนนันต์นี่ท่านขอทานแบบฉลาดท่านอยู่แบบขอทานจริงๆบ้านก็ไม่มีอยู่ อยู่ตามคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถำ้ำอยู่ตามที่เขาถวายให้อยู่ไม่ได้เป็นของของตอนเองอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ได้อาหารก็ขอเข้าจินไปวันวันหนึ่งเช้าก็ออกบินถบาถือบาสเข้าไปในหมู่บ้านนี่อยู่แบบขอทานแต่ขอทานที่ฉลาด ขอทานที่รู้ว่าต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต้องไม่อยากเพราะถ้าโลภโกรธหลงขึ้นมาเมื่อไหร่อยากขึ้นมาเมื่อไหร่จะทุกข์ขึ้นมาเมื่อนั้นเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอยู่แบบขอทานจริงๆสมบัติของท่านมีแค่8ชิ้นเท่านั้นเองมีผ้าสามผืนมีบาตรหนึ่งใบเป็นสี่ชิ้นมีที่เข็มขัดรัดเอวห้าชิ้น มีเข็มกับได้หกชิ้นมีใบมีดโกนเจชิ้นแล้วก็มีที่กรองน้ำสมัยก่อนต้องตักน้ำจากจากลาธารจากบอ่อจากสระมีตัวสัตว์เลยต้องมีที่กรองต้องกรองด้วยต้องตักด้วยที่กรองน้ำจึงไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมา นี่คือสมบัติของขอทานที่ฉลาดเพราะรู้ว่ามีอะไรมากแล้วก็จะต้องกังวลมีอะไรก็ต้องเสียไปเพราะถ้าเรามีของดีคนอื่นเขาก็อยากจะได้ของเราถ้าเราเผลอเขาก็มาขโมยไปพอเราเสียของไปเราก็เสียใจทุกใจแต่ถ้าเราไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรจะเสีย ไม่มีอะไรจะต้องมาทุกข์ใจนี่คือการอยู่ของพระพุทธเจ้าการอยู่ของพระสาวกทั้งหลายท่านอยู่แบบขอทานแต่ท่านไม่ได้อยู่แบบขอทานที่โง่ขอทานที่โง่นี้จะต้องจะมีความโลภมีความอยากอยากได้เงินได้ทองอยากได้สิ่งต่างๆเหมือนกับคนอื่นที่เขามีกัน แต่ขอทานที่ฉลาดนี้กับไม่อยากได้ไม่อยากได้บ้านช่องเหมือนที่พวกเรามีกันไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้แฟนไม่อยากได้สามีไม่อยากได้ภรรยาไม่อยากได้ลูกไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองไม่อยากได้ตำแหน่งต่างๆไม่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่อยากเป็นกำนันไม่อยากเป็น นายกเทศมนตรีเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกของพวกนี้เป็นของที่จะนําความทุกข์มาให้แก่เราทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวรมันจะไม่เป็นของเราไปเรื่อยๆได้มาแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไป เวลาจากไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันบางคนเสียใจมากๆถึงกับต้องฆ่าตัวตายเลยก็มีนี่คือความทุกข์ต่างๆที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาโดยที่คิดว่าเป็นความสุขกันคิดว่าได้เงินทองมากๆแล้วจะมีความสุขคิดว่าได้ตำแหน่งสูงๆ เป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะมีความสุขคิดว่ามีอะไรต่างๆมีสามีมีภรรยามีบุตรมีที่ดามีคนรับใช้จะทำให้มีความสุขกันแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นของชั่วคราวมันจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็ทำใจไม่ได้ เสียดายเสีย อ, อกเสียใจร้องหงร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เราต้องดูพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านอยู่แบบไหนท่านไม่ได้เป็นคนโง่เราอย่าไปคิดว่าท่านโง่ที่ท่านไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหมือนพวกเราท่านไม่มีครอบครัวเหมือนพวกเรา ท่านไม่มีบ้านช่องเหมือนพวกเราเพราะท่านเป็นคนฉลาดท่านเห็นว่าการมีอะไรนั้นเป็นการมีความทุกข์นั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนั่นเองท่านจึงไม่อยากจะมีอะไรท่านอยู่แบบไม่มีแม้แต่ร่างกายนี้ท่านก็เห็นว่ามันก็ต้องเสื่อมเหมือนกัน ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายไปท่านจึงไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายและพอร่างกายของท่านนี้ตายไปท่านไม่ไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะถ้ามีร่างกายใหม่ก็ต้องมีความทุกข์กับร่างกายทุกเวลาที่ร่างกายแก่ ทุกเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเวลาที่ร่างกายตายไปวิธีที่จะทําให้ไม่มีร่างกายก็ต้องเชล่อใช้ร่างกายอย่าใช้ร่างกายไปทําอะไรต่างๆเช่นเอาร่างกายมานั่งเฉยๆหลับนั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปฟังเทศฟังธรรมไปแล้วต่อไปใจก็จะฉลาด จะรู้จากวิธีไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขเพราะมีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เกิดจากการนั่งเฉยๆนี่แหละนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าใจไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุข ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสามารถอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้นี่คือวิธีอยู่ของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายท่านอยู่แบบขอทานอยู่แบบอยู่เฉยๆเห็นพระพุทธรูปั้ยพระพุทธรูปท่านมีรถเก๋งหรือเปล่าท่านมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่า ท่านไม่มีอะไรท่านนั่งเฉยๆนั่งหลับตาพระพุทธรูปเนี่ยสอนเราว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนั่งเฉยๆอย่าไปทำอะไรอย่าไปมีอะไรได้มาแล้วจะต้องทุกข์จะต้องเสียใจกันเนี่ยมาการพระนี่เคยคิดบ้างเปล่าว่าทำไมพระพุทธรูปท่านถึงนั่งเฉยๆทำไมท่านไม่อยู่ในท่ า, าวิ่งเต้น แอโรบิกหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆทําไมไปเห็นพระพุทธรูปที่ไหนก็เห็นแต่นั่งเฉยๆนั่นก็เป็นการสอนพวกเราให้รู้ว่าการอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปมีอะไรทําใจให้สงบทําใจให้ไม่มีความอยากแล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่ามีสมบัติเป็น เงินทองเป็นหมืน่นเป็นแสนล้าน <alt> เงินทองแสนล้านจะเอาไปทำอะไรก็ต้องมาคอยดูแลรักษามันแล้วตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปอาแมาแทบเป็นแทบตายกินไม่ได้นอนไม่หลับเน่วบลาตายไปก็ตายอย่างตาไม่หลับตายอย่างห่วงใหญ่ทรัพสมบัติเท่าของเงินทองที่มีอยู่ดัง น, นั้นขอให้พวกเรา มาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำบุญให้เราเสียสละให้เราเก็บอย่าไปสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของมากเกินความจำเป็นให้มีพอมีพอกินพอไม่เดือดร้อนก็พอถ้ามีมากกว่านี้ก็ให้เอาไปแบ่งกับคนอื่น เอาไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วก็อย่าไปหามามากกว่าที่จำเป็นจะต้องมีหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วเอาเวลามานั่งเฉยๆมานั่งหลับตามาพุโทโธพุโทโธทำใจให้มันนิ่งให้ได้ทำใจให้มันไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความอยากให้ได้ ถ้าทำให้มันนิ่งแล้วความโลกความโกรธความหลงมันก็จะหยุดไปความอยากมันก็จะหยุดไปแล้วความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่ดีกว่าการได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านรับรองได้ว่าถ้าใครได้คบกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วจะสามารถยกสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่นี้ ให้กับคนอื่นไปได้อย่างง่ายดายเลยเพราะไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบมีเงินทองกับเป็นความทุกข์ความกังวลใจอพอยกให้คนอื่นไปแล้วเบา อ, อกเบาใจอย่างวันนี้ญาติโยมเอาเงินทองมาถวายให้กับพระถวายให้กับวัดทำไปแล้วเป็นยังไงสบายใจไหมเงินน้อยลงไปความกังวลที่จะต้องกังวลกับเงินทอง บ้านนี้ก็หายไปใจกับมีความสุขใจขึ้นมาต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำและได้ปฏิบัติมาพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทองมากน้อยเท่าไหร่ยกให้คนอื่นไปหมดเลยไม่ต้องการเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไปอยู่หาที่สงบไปนั่งเฉยเฉยไปทำใจให้สงบไม่ให้ไปคิดอะไร ให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็ไม่ไปทำบาปไม่ไปเบียดเบียนใคร <Yeah. S 1> เท่านี้ชีวิตก็จะมีความสุขไม่ต้องมีอะไรแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อน <Yeah. S 1> เพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆตายได้อย่างสบายตายอย่างมีความสุขเพราะความสุขอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจที่สงบที่ปล่อยวางที่ไม่มีความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆนี่แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความทุกข์มีความสุขแล้วก็ไม่มีความทุกข์กันก็คือให้เรามาทาบุญกันให้เรามาละบาปกันแล้วให้เรามานั่งเฉยๆเพื่อหยุดความโลภความโกรธความหลงกัน ถ้าเราทำได้เราจะได้ความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับและพวกเราจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันอีกต่อไปเพราะเราจะไม่ต้องมาเกิดเราไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วเราไม่ต้องมีร่างกายหาความสุขให้กับเราเราสามารถหาความสุขจากการหยุดความคิดของเราได้ หยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงของเราได้เท่านี้ก็พอแล้วเราจะได้พบคำว่าพอถ้าใจของเราไม่มีความโลภความอยากความพอมันก็จะเกิดขึ้นมาจึงขอให้ท่านพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามศึกษาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าวิธีสร้างความสุข และดับความทุกข์ที่แท้จริงนั้นทำกันอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลจะอยู่กันอย่างมีความสุขจะไม่ต้องเดือดร้อนจากเรื่องเข้าของเงินทองจะมีหรือไม่มีไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องอาศัยข้าของเงินทองไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา เราสามารถหาความสุขได้จากการทำใจของเราให้สงบนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติกันพยายามทำกันไปทำจากทำจากน้อยไปหามากแล้วต่อไปเราก็จะทำได้มากขึ้นไปเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาอาศัยการฝึกฝนอบรมทำไปเพราะเราไม่เคยทำ เราเคยโลภเราไม่เคยเสียสละเราก็รู้สึกการเสียสละนียากแต่พอเราหัดเสียสละทำเสียเสียสละได้แบ่งปันได้ให้ได้เราจะเห็นว่าดีกว่าโลภดีกว่าได้ได้มาแล้วไม่พอเสียสละแล้วกลับมีความพอมีความอิ่มเกิดขึ้นมาก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีระัตะนาใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ